สิ่งที่พวกเราควรจะกระทำกันเวลาที่เราไปงานศพก็คือเราควรจะรำลึกถึงพระปชิมโมวาดของพระบรมศาสดาของพระพุทธเจ้าของพวกเราที่ได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจาก พวกเราไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี่คือเป็นคำสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะจากพวกเราไปท่งเตือนให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทกันความประมาทก็คือการไม่ทำกิจที่พึงกระทานั่นเองปล่อยให้วันเวลาผ่านไปผ่านไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่น ไม่คิดว่าตนเองนั้นจะต้องตายไปในวันใดวันหนึ่งคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆจึงไม่ต้องรีบขวนขวายคิดว่าจะมีเวลาปฏิบัติเมื่อถึงเวลาที่จะปฏิบัติแต่การปฏิบัตินี้จะเกิดก็ต้องเกิดขึ้นในวันนี้ ถ้าบอกว่าจะปฏิบัติพรุ่งนี้พอถึงพรุ่งนี้ก็จะบอกว่าจะปฏิบัติพรุ่งนี้นี่คือความคิดของเรามักจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติวันนี้เราก็จะได้ปฏิบัติมาอยู่เรื่อยๆและเมื่อเราได้ปฏิบัติเราก็จะได้รับผล จากการปฏิบัติการศึกษาเราก็ได้ศึกษากันมาพอสมควรแล้วมาศึกษาที่นี่ก็เกือบครบสิบปีแล้วแต่การปฏิบัติไม่ปรากฏขึ้นเลยคือการปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังควบคู่กับการร่ำเรียน ปริยัตและปฏิบัตินี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันไม่ได้แยกออกจากกันมันไปด้วยกันเรียนแล้วก็สามารถปฏิบัติควบคู่กันไปได้ไม่ต้องรอให้เรียนจบพระไตรปิฎกก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติการปฏิบัตินี้ถ้าเราไม่ดำริเราไม่เริ่ม เราไม่ผักดันมันมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้อย่างที่เราเมื่อก่อนตอนที่เริ่มศึกษาเพื่อทําคําสอนใหม่ๆก็ได้ศึกษาอยู่เกือบสามเดือนด้วยกันก็ยังไม่ได้ปฏิบัติเสียทีจนวันหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นมาฐานตัวเองว่าเอ้เราก็เรียนมาพอสมควรแล้ว รู้แล้วว่าต้องทำอะไรทำไมไม่ทำสักทีคือการนั่งสมาธิพอคิดอย่างนั้นเลยก็นั่งมันตอนนั้นเลยพอเริ่มนั่งแล้วมันก็มันก็เริ่มมันก็นั่งไปได้เรื่อยๆทำไปได้เรื่อยๆพอมันทำไปได้เรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาการของมันไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติ ถ้าเราไม่เริ่มต้นในวันนี้มันก็จะหลอกเราให้รอไปวันข้างหน้านี่มันก็หลอกหลอกพวกเรามาเกือบสิบปีแล้วแล้วมันก็จะหลอกต่อไปอีกสิบปีถ้าไม่เริ่มปฏิบัติในวันนี้นี่แหละคือเรื่องของความประมาทประมาทเพราะถูกความหลงมันหลอก ให้เราคิดว่าเวลาเรายังมีอีกมากเราจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติได้มันควรจะปฏิบัติมาเกือบสิบปีแล้วที่มันปฏิบัติไม่ได้ก็เพราะว่ามันถูกหรอกให้คิดว่าปฏิบัติได้จะปฏิบัติเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ปฏิบัติได้ ถ้ามันปฏิบัติได้มันก็ต้องปฏิบัติเสียแต่วันนี้ถ้าไม่เช่นนั้นอีกสิบปีกลับมาคุยกันก็จะรู้ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติอยู่ดีเพราะเรื่องของการปฏิบัตินี้ถ้าเราไม่เป็นคนกดปุ่มเป็นคนจุดชนวนมันจะไม่ไปมันจะไม่ขับเคลื่อนเหมือนกับรถยนต์ ถ้าเราไม่ใส่กุญแจแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์รถยนต์มันจะไม่วิ่งมันก็จะจอดอยู่อย่างนั้นนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่พวกเรายังเข้าไม่ถึงกันก็เพราะว่าเรายังไม่ได้บังคับตัวเองให้ปฏิบัตินั่นเองการปฏิบัตินี้ต้องบังคับ มันไม่เหมือนกับการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการไปท่องเที่ยวนี้ไม่ต้องบังคับเพียงแต่ให้มีเหตุเท่านั้นแหละมันไปได้หมดมีคนมาชวนก็ไปได้ไม่มีคนชวนอยากจะไปเองก็ไปได้มันไม่ได้เคยบอกว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยไปพ อ, อจะไปนี่มันเตรียมตัว เตรียมจองตั๋วกันเตรียมจองตั๋วเครื่องบินเตรียมจองที่พักกันแต่การปฏิบัตินี่มันไม่เป็นเหมือนกับการไปเที่ยวเพราะการไปเที่ยวนี่มันง่ายเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเดินลงเขามันเคยทำมาอย่างช่ำชองอย่างชำนานมันมีความชำานิดชํำนานมากเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ท่านจึงบอกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวในวัฏสงสารท่องเที่ยวในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเราเป็นผู้ชำนิชำนาญในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่เราไม่ชำนาญในการตัดภพตัดชาติตัดการท่องเที่ยวเพราะการปฏิบัตินี้เป็นเหมือนกับการเดินขึ้นเขา มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายดายสนุกสนานเหมือนกับการไปท่องเที่ยวแต่ผลที่จะได้รับจากการปฏิบัตินี้มันมีคุณมีประโยชน์กว่าผลที่เราจะได้รับจากการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี้เป็นการสร้างความสุขตอนต้น อาจจะต้องไปทุกตอนปลายทุกตอนปลายก็คือเวลาที่ไม่สามารถไปท่องเที่ยวได้เวลาที่ร่างกายแก่ลงไปเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายไปตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์อันจึงเรียกว่าเป็นการดำเนินทางของสุขต้นและทุกปลาย ส่วนการดำเนินของทางปฏิบัติธรรมนี่เป็นการดำเนินทางของความทุกข์ต้นและสุขปลายตอนต้นจะทุกข์มากในการปฏิบัติเพราะจะต้องตัดสิ่ง ต, งต่างๆที่เรารักเราชอบตัดการท่องเที่ยวตัดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผธพระ บังคับให้อยู่ที่ปีกวเวย้ยๆอยู่ตามลำพังเหมือนกับไปติดคุกติดตารางไม่ได้พบปะกับคนไม่ได้พบปะกับสิ่งต่างๆที่เคยให้ความสุขความสนุกสนานให้ความเพลิดเพลินต้องอยู่กับความจำเจ ของเสียงแวดล้อมที่ไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้และเสียงนกเสียงกาเสียงลมพัดต้องอยู่แบบสมถะเรียบง่ายมากน้อยสันโดษไม่มีเครื่องอำนวยความสุขความสะดวกทางร่างกายห้องน้ำห้องท่าก็ไม่ได้อยู่ในที่พัก ที่พักก็ไม่มีอะไรนอกจากหลังคางกับฟ้าไว้กันแดดกันฝนอาหารการกินก็ไม่สามารถที่จะไปคิดปรุงแต่งว่าจะกินอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้ได้กินตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็กินมันไป เพื่อที่จะเยียวยารักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ตายไปให้อยู่เพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมนี่คือการอยู่แบบผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ตามมีตามเกิดอยู่ในสถานที่กันดาร ห่างไกลจากความสะดวกสบายเช่นไฟฟ้าน้ำประปาและเครื่องบันเทิงต่างๆมันยิ่งกว่าเป็นการติดคุกติดตารางซะอีกเพราะสมัยนี้พวกที่ติดคุกติดตารางนี้เขามีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมไฟฟ้าก็มีน้ำประปาก็มีมีทั้งโทรทัศน์มีอะไรให้ดู มีภาพประยน์ให้ดูบางครั้งถึงบางแห่งถึงกับให้ภรรยามาเยี่ยมหลับนอนด้วยก็มีการติดคุกสมัยนี้จึงไม่จึงไม่ยากลำบากเหมือนกับการไปบวชไปปฏิบัติธรรมจึงไม่ค่อยมีใครอยากจะปฏิบัติกันแต่ไม่คิดกันว่า ผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้ <c oughs> มันวิเศษขนาดไหนมันเลอเลิอดขนาดไหนมันดีขนาดไหนไม่คิดกันผลที่ได้รับก็คือได้รุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเวลาบั้นปลายของชีวิตเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายไป ใจกับไม่เดือดร้อนใจกับมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเป็นปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายหรือเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆที่มีไว้ครอบครองทรัพย์สินข้าวของเงินทองอะไรต่างๆจะเสื่อมจะสูญจะหมดไป ก็ไม่เป็นปัญหาใจอย่างใดจะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็จะไม่เป็นปัญหาใดอย่างใดเพราะใจไม่ต้องอาศัยสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้มาให้ความสุขแล้วเพราะได้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือในการผลิตความสุข แผนที่จะต้องใช้ลาบยศสรรเสริญใช้รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะที่เป็นสิ่งที่มีการเจริญและมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเวลาเสื่อมเวลานั้นก็จะเป็นเวลาทุกข์ของผู้ที่ยังต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปุถพะให้ความสุขแต่สำหรับผู้ที่ไม่ต้องพึ่ง สิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะมีสิ่งที่ดีกว่ามาทดแทนมาเป็นที่พึ่งก็คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆนั่นเองผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆก็คือความสงบในระดับต่างๆกันนั่นเองสงบจากน้อยขึ้นไปสู่ สงบอย่างเต็มที่ทำขั้นต่างๆนี้ก็วัดกันได้ที่ความสงบความสุขที่มีมากขึ้นแล้วก็ความทุกข์ที่มีน้อยลงไปตามขั้นของธรรมถ้ามีความสุขมากขึ้นความทุกข์ก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆตามความ ปริมาณของความสุขที่มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับภาชนะที่เราใส่ของถ้าเราใส่ของมีของเก่าอยู่ถ้าเราอยากจะใส่ของใหม่เราก็ต้องเทของเก่าออกไปเทของเก่าออกได้ไปเท่าไหร่ก็สามารถเทของใหม่เข้าไปได้มากเท่านั้นถ้าเทของเก่าออกไปได้หมดก็สามารถเอาของใหม่เข้าไปได้ เต็มที่ใจของเราก็เป็นที่รองรับของความสุขและความทุกข์ใจของเราตอนนี้เป็นที่รองรับความทุกข์มากกว่าความสุขถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเพิ่มปริมาณความสุขในใจให้มีมากขึ้นแล้วก็กำจัดปริมาณของความทุกข์ภายในใจ ให้น้อยลงไปตามลำดับจนในที่สุดเราก็จะสามารถให้ใจนี้มีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมปราศจากความทุกข์นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อเราได้รับความสุขเต็มเปลี่ยมอยู่ภในหัวใจนี้แล้ว มันก็จะอยู่อย่างถาวรมันจะไม่เป็นเหมือนกับความสุขที่พวกเราได้รับจากการเที่ยวได้รับจากลาบยศสรรเสริญได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสโสดภาที่เป็นความสุขแบบควันไฟพอได้มาแล้วมันก็จางหายไปต้องคอย หามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่ไม่สามารถหามาได้เวลานั้นก็จะไม่มีความสุขให้เสเพก็มีแต่ความทุกข์ให้เสพนี่คือความสุขต้นและทุกข์ปลายถ้าเราใช้ลาบยศสารเสริญใช้รูปเสียงเกลิ่นโลดพธพิภมาเป็นเครื่องมือ ผลิตความสุขให้กับเราถ้าเราใช้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือให้ผลิตความสุขให้กับเราความสุขที่ได้จากการผลิตจากการปฏิบัติธรรมนี้จะไม่เหมือนความสุขทางราบยศจันทร์เสริญเพราะมันจะติดค้างอยู่ภายในใจเพราะใจสามารถที่จะผลิตขึ้นมา ได้เรื่อยๆได้ตลอดเวลาถ้ารู้จักวิธีผลิตแล้วก็สามารถผลิตไปได้เรื่อยๆมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนมีอยู่เต็มเปลี่ยมภายในหัวใจแล้วก็จะไม่มีวันศูนย์ไม่มีวันดับเพราะใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่มีวันศูนย์ไม่มีวนั น, วนดับ การทำงานของใจการปฏิบัติธรรมของใจก็สามารถปฏิบัติสร้างความสุขนี้ให้มีอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาถ้าร่างกายอันนี้เกิดหมดสภาพไปก่อนที่จะเติมความสุขให้เต็มเปลี่ยนภายในหัวใจได้ก็ รอได้ร่างกายอันใหม่มา ก, ก็สามารถที่จะผลิตต่อได้อย่างเช่นพระโสดาบันนี้ท่านก็มีอนาคตตาชาติอยู่ไม่เกินเกศชาติเป็นอย่างมากถ้าเกิดท่านตายไปก่อนที่จะได้บรรลุธรรมที่สูงกว่าท่านก็ยังกลับมาเกิดได้กลับมาเกิด แล้วก็กลับมาบาเพ็ญต่อได้แล้วก็จะสามารถบรรลุทำขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับได้ภายในเก็ดชาติเป็นอย่างมากพอใจที่ได้ทำได้ความสุขนี้ไม่ได้สูญไม่ได้ไม่ได้เสื่อมไม่ได้สูญเหมือนกับราบยศสรรเสริญ กับรูปเสียงกลิ่นรสผธพะที่ได้มาเวลาที่ร่างกายตายไปลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้ก็จะสูญหายไปหมดเวลากลับมาเกิดใหม่ก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือถ้ามีบุญได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะได้กลับมารับสิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ได้แต่ถ้าไม่ได้ทำบุญทาทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยเวลากลับมาเกิดใหม่นี้ก็จะไม่มีอะไรรอรับจะกลับมาก็ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์หม่แล้วจะได้เหมือนเดิมหรือไม่ก็ ไม่มีอะไรที่จะมารับรองได้อย่างนั้นขอให้พวกเราอย่าหลงระเริงกับการใช้ลาบยศสรรเสริญใช้รูปเสียงกณิ่นดอดปดทพะเป็นเครื่องมือในการผลิตความสุขต่างๆให้กับเราเพราะวันเวลาผ่านไปความสามารถในการที่จะใช้ร่างกายของเรา หาความสุขจากาลาภยศสเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปทพะนี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนจะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากาลาภยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสปทพะได้เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เป็นอมพภพเป็นอมพาต เวลานั้นก็มีแต่ความทุกข์ใจเพราะว่าความอยากที่จะเสพลูกเสียงกลิ่นลดเหมือนที่เคยเสพนี้ยังไม่ตายไปยังมีอยู่ยังไม่ได้เป็นอมภาตไปกับร่างกายร่างกายเป็นอมภาาแต่ตันหาความอยากเสพลูกเสียงกลิ่นลดผลทพัพระนี้มันไม่ได้เป็นอมภ่าไปกับร่างกายมันจึงเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจ ถ้าตัวตัณหานี i s มันเป็นอมพาสไปกับร่างกายได้ก็ดีถ้ามันไม่มีตัณหาความอยากจะเสพใจก็จะไม่ทุกข์แต่มันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันเป็นส่วนของใจมันอยู่ที่ใจที่ไม่มีตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันเป็นอมพาสเป็นอมพาสมันจะคอยผลิตตัณหาความอยาก ออกมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ใช้การปฏิบัติทำทำลายมันไม่มีอะไรที่จะทำลายตัหาความอยากต่า ง, งๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้นอกจากการปฏิบัติทำตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนและได้ทรงปฏิบัติมาแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรง ทำลายตันหาความอยากต่างๆจากวัฏฏิจนหมดสิ้นแล้วด้วยการปฏิบัติธรรมที่ทรงนาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกได้นำเอาไปปฏิบัติผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อน้อมเอาไปปฏิบัติก็สามารถทำลายตันหาความอยากต่าง ๆ, ๆ ที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่าจได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากท่านเหล่านี้ก็เป็นบุคคลธรรมดาเป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนเราเหมือนท่านที่เป็นอยู่ในขณะนี้ท่านก็มีทุกเพศทุกไหวมีทั้งนักบวชมีทั้งคารวะผู้ครองเรือนมีทั้งหญิงมีทั้งชาย มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ไม่จำกัดเพศจำกัดวัยเพราะการทำลายกิเลสตัณหานี้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นบนรรพชิตหรือเป็นขลหัสเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คลองเรือนจะอยู่ที่การปฏิบัติธรรมถ้ามีการปฏิบัติธรรมก็จะมีการทำลาย ตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เป็นหญิงก็ปฏิบัติทําได้เป็นชายก็ปฏิบัติทําได้เป็นนักบวชก็ปฏิบัติทําได้เป็นคารวาญาติโยมก็ปฏิบัติทําได้อย่างนั้นจึงไม่มีข้ออ้างข้ออะไรทั้งนั้นที่จะมาอ้างว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติทําได้ ข้ออ้างที่ถูกต้องก็คือขี้เกียจไม่อยากจะปฏิบัติกลัวความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากการปฏิบัติยังรักความสุขความสบายจากการได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพระอยู่ยังเสียดายยังไม่กล้าที่จะทิ้งมันไป กลัวเวลาทิ้งมันไปแล้วจะทุกข์ทรมานใจถ้ามันทุกข์ก็เป็นทุกข์ชั่วระยะสั้นๆชั่วระยะที่เรามาปฏิบัติใหม่ๆเพราะช่วงนั้นเรายังไม่มีธรรมที่จะมาต่อสู้มาทำลายตันหาความอยากต่างๆแต่พอเราปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติ อย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างไม่ลดละวาสอกปฏิบัติไปเรื่อยๆทมที่จะเป็นเครื่องมือมาทำลายตันหาความอยากก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะมาทำลายความอยากที่สร้างความทุกข์ต่างๆที่มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมนี้ ให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปจนต่อไปนี้ต่อจนต่อไปความอยากต่างๆนี้ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับถ้ามีการปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องมีการเพิ่มการปฏิบัติ ให้มีมากขึ้นไปตามลำดับธรรมก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นที่จะไปทำลายตันหาความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ยากลำบากใจทำให้มันเบาบางลงไปทำให้การปฏิบัติง่ายขึ้นไปตามลำดับการปฏิบัตินี้มันจะยากในเรื่องต้น แต่เมื่อเริ่มปฏิบัติไปแล้วมันความยากลำบากนี้มันจะค่อยๆลดลงไปเพราะหนึ่งเราก็เกิดความชินชากับความยากลำบากเราก็จะรู้ว่าเราอยู่กับมันได้มันไม่ได้เป็นของที่ยากเย็นของที่เราไม่สามารถทำได้แต่อย่างใด ถ้าเราทำไปแล้วมันก็จะทำได้อยู่กับมันได้อยู่กับความยากลาบากได้อยู่กับการอดอยากขาดแคลนได้อดมือเกินมืออดวันเกินวันได้อดทีละสมวันอดทีละห้าวันก็อดได้ถ้าใจมีทำแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในใจนี้มันจะน้อยลงไปเรื่อย จะทำให้สามารถอยู่กับความทุกข์ยากลำบากได้อย่างสบายเาฉนั้นอย่าอย่า ก, กลัวความทุกข์ยากลาบากปรามองถึงผลที่จะได้รับที่เกิดจากการปฏิบัติว่ามันคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่ากับความทุกข์ยากลำบากทุกๆคนต้องผ่าน ความทุกข์ยากลำบากเหมือนกันเวลาเราท้อแท้ท่านบอกให้นึกถึงพระบรมศาสดานึกถึงเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้ที่เป็นราชโอรสที่มีความสุขทางโลกระดับสูงสุดที่ได้ชลความสุขในระดับสูงสุดนี่เราไปอยู่กับสภาพของขอทาน อยู่แบบตามมีตามเกิดอาหารการกินที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนึง่งห่มยารักษาโรคอยู่แบบตามมีตามเกิดจริงๆได้อะไรมาก็ฉันไปตามที่ได้มามีเสื้อผ้าอะไรพอใช้ปกปิดอวัยะวะร่างกายได้ก็ใช้เงินไปผ้าบางสกุลนี้ สมายพระพุทธการท่านใช้ผ้าบางสกุลก็คือเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าหรือผ้าที่ทิ้งไว้ในกองขยะไม่มีใครถวายผ้านุ่งห่มให้กับนักบวชนักบวชต้องหาผ้าเองหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเป็นชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างเอามาสะสมพอได้ จำนวนที่จะมาตัดเย็บเป็นผ้านุ่งห่มได้ก็เอามาตัดเย็บเสร็จแล้วก็เอาไปซักย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำที่ต้มจากแก่นไม้ก็ได้ผ้ามาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วอาหารก็บิณฑบาตตามมีตามเกิดแล้วแต่ชาวบ้านผู้มีจิตเมตตาจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ เขากินอะไรเขาก็แบ่งส่วนนั้นมาให้เรากินก็กินไปตามที่เขาเขากินได้เราก็ต้องกินได้ยารักษาโรคก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีร้านขายยาก็รักษาไปตามธรรมเนียมรักษาด้วยยาสมุนไพรต่างๆรักษาด้วยการเดิมน้ำมูก เร่งเป็นธรรมเนียมของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในสมัยโบราณก็พอที่จะอยู่ได้อย่างพระวรกายของพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้ถึงแปดสิบพรรษาด้วยกันทั้งๆที่ในสมัยนั้นก็ไม่มีอยู่มียามีโรงพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือมีแพทย์มีพยาบาลมีอะไรต่างๆไว้คอยดูแลร่างกาย ร่างกายมันก็อยู่ของมันได้ถึงแปดสิบเก้าสิบปีไม่เหม็นจะมีปัญหาอะไรสมัยนี้มีอยู่มียามีแพทย์มีพยาบาลมีโรงพยาบาลมีเครื่องมืออันทันสมัยก็อยู่ได้เท่าเท่ากันหรือบางทีอยู่ได้น้อยกว่าก็มีเพราะกินดีเกินตายอยู่ดีเกินไป กินของที่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายแทนที่จะมีอายุยืนยาวนานกับมีอายุสั้นนะเพราะไม่รู้จักการบริโภคให้ให้ถูกสุขลักษณะนะบริโภคตามตันหาความอยากนะก็เลยตายเพราะปากนะตายเพราะตันหาความอยากนะ ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปกังวลไปกลัวกับความทุกข์ยากลาบากถ้าขนาดพระราชโอรสท่านสุขสบายยิ่งกวา่าเราหลายร้อยเท่าด้วยกันมาอยู่แบบขอทานได้เราทำไมจะมาอยู่แบบขอทานกันไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะไม่มีอุปสรรคมาขวางกัน้น แล้วถ้าเราบอกว่าถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเราจะไม่ได้มีความสุขทางตาหูจนูกลิ้นกายก็เวลาเราปฏิบัติแล้วถ้าจิตมันสงบเมื่อไหร่เราก็จะได้รับความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการดูการฟังการดูละครการฟังเพลงอะไรต่างๆจะสู้ความสุข ที่ได้รับจากการทำใจให้สงบไม่ได้เราจะได้สิ่งที่ดีกว่าเป็นรางวัลเป็นผลตอบแทนความสุขที่เราได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากลาบยศสลรเสริงจากรูปเสียงเกิ่โลดโผฏฐะถ้าเราคิดอย่างนี้ เราก็จะสามารถออกปฏิบัติได้การปฏิบัติเราก็รู้วิธีปฏิบัติกันแล้วว่าต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกต้องสำรวมอินรีตาหูจมูกลินกายด้วยการรักษาศีลแปดศีลแปดนี้ก็คือเป็นการจะเริญ 2, อนอินซีสังสังวรนี่เองคือไม่หาความสุข จากทางร่างกายจากทางตาหูจมูกเิ่นกายละเวน้นการรับประทานอาหารก็รับประทานเพื่อร่างกายไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขทางใจตามความอยากรับประทานให้พออยู่ได้ไม่ต้องรับประทานหลายครั้งหลายหนในแต่ละวันรับประทานวันละครั้งก็พอเพียง ต่อการดูแลรักษาร่างกายความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็งดไปเพื่อจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจมาทําใจให้สงบการที่จะทําใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติเป็นเครื่องมือสตินี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุด ในการปฏิบัติธรรมเป็นเหมือนกุญแจที่เราจะต้องใช้ถ้าเราต้องการที่จะขับรถไปไหนมาไหนถ้าไม่มีกุญแจรถนี้เราก็รู้ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในรถยนต์ได้เราจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ไม่สามารถที่จะขับรถยนต์ไปไหนมาไหนได้ฉันใด การปฏิบัติธรรมของเราก็จะไปก้าวหน้าไปไหนถ้าเราไม่มีกุญแจดอกสําคัญดอกนี้ก็คือสติเราต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาการสร้างสตินี้ก็เป็นเหมือนกับการไปหากุญแจรถยนต์นี่ถ้าเราได้สติเมื่อไหร่เราก็จะได้กุญแจรถยนต์เมื่อนั้นพอได้กุญแจรถยนต์เราก็เข้าไปนั่งในรถยนต์ได้สตาร์ทรถยนต์ได้ ขับรถยนต์ไปไหนมาไหนได้ถ้าเราได้สติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้แล้วออกจากสมาธิมาเราก็สามารถเจริญปัญญาได้ถ้าเราเจริญปัญญาได้เราก็จะตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปสร้างความสุข ต่างๆในระดับต่างๆให้เกิดขึ้นมาได้จนถึงระดับสูงสุดได้เกิดจากการเจริญสติในเบื้องต้นการเจริญสตินี้ก็เป็นเหมือนกับการเรียนในชั้นปถมหรืออนุบาลต้องฝึกเรียนกอไก่ขอไข่เรียน a อบีซเรียนนับหนึ่งสองสามไปก่อนพอเรา เรียนได้แล้วท่องได้แล้วกไก่ขอไข่ A B C หนึ่งสองสามได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้สามารถที่จะบวกลบคูณหารได้สามารถที่จะเรียนรู้วิชาต่างๆได้ต่อไปถ้าเราอ่านออกเขียนไม่ได้นี่เราจะไม่สามารถเรียนวิชาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตาม ต้องอ่านออกเขียนได้ต้องบวกลบคูณหารได้ถึงจะสามารถเรียนรู้วิชาต่างๆได้ฉันใดการปฏิบัติเพื่อให้เกิดธรรมต่างๆเช่นสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็จำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้เปิดทางถ้ามีสติแล้วการนั่งสมาธิก็จะสงบใจก็จะรวมเป็นหนึ่ง ศักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขามีความสุขใจอิ่มเอิบใจมีกำลังที่จะต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นโทษของสิ่งที่อยากได้มาว่าไม่ได้ทำให้เกิดความสุขเพิ่มขึ้นแต่กลับจะทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป ถ้าเห็นชัดด้วยปัญญาว่าสิ่งที่ใจยอยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขก็จะไม่อยากได้ก็จะตัดความอยากได้สิ่งต่างๆไปให้หมดไปจากใจได้เพราะสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร น, นั่นเองเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิม มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเจริญมีการเสื่อมไปในที่สุดไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปห้ามเขาไม่ให้เสื่อมได้ไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงได้เขาต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของเขาถ้าเราไปยึดไปติดเขาให้ความสุขกับเราเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเขาก็จะไม่ให้ความสุขกับเราต่อไป สิ่งที่เป็นความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือการทำงานของปัญญาต้องคอยสอนใจที่ที่บอกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆและไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้พอเขาเปลี่ยนไปความสุขที่ได้จากเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา แทนนี่คือการสอนด้วยปัญญาเวลาออกจากสมาธินี่เวลาเห็นอะไรอยากได้อะไรอยากมีอะไรให้ใช้ปัญญาสอนว่ามันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนไปมันต้องเสื่อมมันต้องดับไปแล้วความสุขที่ได้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์มีวิธีเห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆเห็นเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอน เห็นเพราะว่าไปห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้พอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเห็นโทษของความอยากที่อยากจะให้เขาไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ความทุกข์ใจก็จะไม่มีความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากให้สิ่งที่ เสือมไม่เสื่อมนั่นเองอยากให้สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ให้เราควบคุมบังคับได้พอเห็นความจริงอันนี้เราก็ไม่ฝืนความจริงยอมรับความจริงปล่อยให้เขาเสื่อมไปปล่อยให้เขาเปลี่ยนไปถ้าปล่อยแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์เกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าเราไปสั่งเขาได้ ไปเปลี่ยนเขาได้ไปห้ามเขาได้แต่พอพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เราจะไปสามารถไม่มีอะไรที่เราจะไปยับยั้งได้ไปเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเช่นร่างกายนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะริญเติบโตไปแล้วพอเขาจเจริ จะรอนตอบโตอย่างเต็มที่เขาก็จะเริ่มเสื่อมลงไปเริ่มแก่ลงไปเริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นไปตามลำดับแล้วในที่สุดเขาก็จะตายไปไม่มีใครสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงเขาได้ห้ามเขาได้ใครอยากไปเปลี่ยนแปลงก็จะทุกข์ใจถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็จะไม่ทุกข์ใจ ผู้ที่มันมีปัญญาเห็นความจริงอันนี้ก็จะไม่ไปเปลี่ยนแปลงเขาเช่นพระอญญานโกนธัญญาเป็นบุคคลคนที่สองในโลกนี้ที่เห็นความจริงอันนี้ต่อจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาพอนำเอามาสั่งสอนให้แก่พระปัญจวัคคี หนึ่งในพระปัญญวัคคีก็เข้าใจทันทีคือพระอนา ญ, ญานโกนทัญญาหลังที่พระเจ้าทรงตรัสว่ากนทัญญาลู่แล้วเนาโกนทัญญารู้แล้วเน อ, นนหนอเห็นแล้วว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครไปยับยั้งมาห้ามการดับของสิ่งต่างๆได้ผู้ที่อยากมาจะไม่ให้ดับ ผู้น้อยก็คือผู้ที่สร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองโดยใช่เหตุเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงการดับของสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆก็ยังจะต้องดับไปอยู่ดีอ่คนที่ไม่รู้ความจริงอันนี้ก็ต้องฝืนทันทีเพราะอยากจะให้สิ่งต่างๆไม่ดับนั่นเองพอเกิดความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆดับก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ความทุกข์ใจของพวกเราทุกคนก็เกิดจากความอยากอันนี้นั่นเองการอยากที่การที่เรามองไม่เห็นอ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเสื่อมการดับของสิ่งทั้งหลายมองไม่เห็นอนัตตาว่าเราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งไปห้ามได้ถ้าเราเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเราก็จะดับความทุกข์ได้เพราะความทุกข์นี้เกิดจากความอยาก ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเองเพราะเรารู้ว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เราอยากไปก็ทำให้เราทุกไปเปล่าแล้วเราทุกไปทาไมเราก็ปล่อยมันไปยอมให้มันดับร่างกายมันจะแก่ก็ยอมให้มันแก่มันจะเจ็บจะตายก็ยอมให้มันเจ็บมันตายไปก็มีเท่านั้นร่างกายนี้ไม่มีใครที่จะมายับยั้งมันได้ร่างกายของพระพุทธเจ้า ก็ต้องเสื่อมดับไปร่างกายของพระอาหารหันตสาวกก็ต้องเสื่อมดับไปร่างกายของพวกเราทุกคนก็ต้องเสื่อมดับไปแต่ทําไมาเรายังมาทุกข์กับมันอยู่ก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นมันอย่างชัดเจนนั่นเองเราเห็นแบบสัญญาเวลาใครพูดถึงเราก็เห็นแต่พอไม่มีใครพูดถึงหรือเราไม่คิดถึงมันเราก็ไม่เห็นแล้วเราก็ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้ว ดังนั้นเราจึงต้องเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องจนไม่หลงไม่ลืมทุกเวลานาทีที่เราเห็นร่างกายของเราหรือของใครก็ตามเราต้องเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาทันทีแล้วเราจึงจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่เห็นเมื่อเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีตอนนี้เราขาดปัญญาระดับนี้ที่เรียกว่าระดับภาวนาเมายปัญญา เพราะว่าใจของเรายัางไม่สงบถ้าใจเราไม่สงบเราไม่สามารถจเจริญปัญญาได้ตลอดเวลานั่นเองเพราะจะถูกกิเลสตัณหาที่มีกำลังเดึองให้เราไปมองทางอื่นไปคิดถึงเรื่องอื่นจนทำให้เราลืมว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอพบกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นม า, ท, าทันที เราจึงต้องพยายามเจริญสติให้มากเพื่อทาใจให้สงบให้ได้เมื่อใจสงบแล้วออกจากความสงบมาก็ใ ช, ใช้ใช้การเจริญปัญญานี้อย่างต่อเนื่องคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงอนิจจังคิดถึงอนัตตาอยู่เรื่อยๆจนมันฝังอยู่ในใจของเราไม่หลงไม่ลืมคิดถึงเรื่องอะไรทำอะไรนี้มันจะคิดถึงอนิจจังอนัตตาของร่างกายเสมอ แล้วมันก็จะถามว่าทำไปทำไมทำไปให้มันเหนื่อยได้ประโยชน์อะไรอยู่เฉยๆไม่ดีกว่า<ม>ไปยุ่งยากไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆทำไ ม, มเรื่องราวต่างๆเขาก็ต้องเจริญเขาก็ต้องเสื่อมเขาไปตามเรื่องการตามเวลาของเขานั่นแหละเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเขาจะเจริญเขาก็จเจริญเขาจะเสื่อมเขาก็จะเสื่อมเอง แล้าเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ต้องแบกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องมาให้ความทุกข์กับเราถ้าเรามีปัญญาถ้าเราเห็นความเสื่อมเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาว่าเราไปห้ามไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปยับยั้งไม่ได้นี่คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราจะสามารถพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องเพราะจะไม่มีตัณหา กิเลสมาคอยลากให้เราไปคิดเรื่องอื่นนั่นเองแต่ถ้าใจเราไม่สงบกิเลสตัณหานี้มีกําลังมากกว่าธรรมจะไม่สามารถดึงใจให้มาคิดในทางธรรมได้ในทางปัญญาได้จะถูกกิเลสดึงไปคิดในทางตัณหาความอยากได้ก็เลยทําให้เลิมเรื่อง อ, อนิจจังอนัตตาไปพอไปเจอความจริงเข้าก็เกิดความอยากทันที เกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีดังนั้นเราต้องพยายามปฏิบัติธรรมกันให้ได้ถ้าเราอยากจะได้ปัญญาเาอยากจะได้ะละได้ตัดความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราเวลาเราเห็นอนิจจังเวลาเราเห็นอนัตตาเราจะได้รู้สึกเฉยๆ รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรเวลาเห็นใครตายได้ยินข่าวใครตายนี้ถ้าไม่เห็นอ น, นิจจังเห็นอนัตตาตลอดเวลามันจะตกใจขึ้นมา ท, าทันทีแล้วเกิดความกลัวเกิดความเสียใจขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเห็นอ น, นิจจังเห็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลามันจะรู้สึกเฉยเฉยมันรู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้น รู้ไว้ก่อนที่มันจะเกิดแล้วแล้วพอมันเกิดมันจะทำให้เราตื่นเต้นตกใจได้อย่างไรนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้ใช้ปัญญานี้หยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจของเราถ้ามีปัญญาแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดทุกข์ก็จะไม่เกิด จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติเห็นต้องพยายามเจริญสติให้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับควบคุมใจอย่าให้คิดเลือเล่อยเปื่อยลอยไปลอยมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธอยู่กับร่างกายแล้วใจจะตั้งมั่นแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบออกจากสมาธิมาก็จะเจริญปัญญาได้ มีปัญญาก็จะละตาหาความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆได้ได้ไดบรรมมาสุขขึ้นมาได้มี่คือการปฏิบัติที่พวกเราต้องบังคับตัวเราเองให้ปฏิบัติให้ได้ถ้าเราไม่บังคับแล้วมันก็จะไม่มีวันที่จะปฏิบัติได้เมื่อบังคับได้แล้วมันก็จะบังคับไปได้เรื่อยๆถ้าไม่บังคับปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์วันไหนอยากนั่งอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติไป พอวันไหนไม่อยากนั่งไม่อยากปฏิบัติก็จะไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าเราบังคับมันได้วันไหนมันไม่อยากจะปฏิบัติเราก็บังคับให้มันปฏิบัติได้บังคับให้มันปฏิบัติทุกวันได้เราต้องใช้การบังคับใจถึงจะสามารถที่จะทําให้การปฏิบัติของเรนี้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องลากเจริญก้าวหน้าไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดได้ยึงขอฝากเรื่องของการ พิจารณาเราลึกถึงพร ะ, พระปิมโมวาของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดเตือนพวกเราไว้ก่อนที่จะจากไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญมีการเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและของท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวาหาปูราตาลิปูเรนติสาลังเอวเมวาอิโตทินนางเปตานางอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวาสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อระโสยทาสพีติโยวิวชัชานตุสัพรโรโควินสัสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีทีคายยโกภะอภิวาธนศีลิสะนิจายางุทธาปจายโนจตารธรร ม, มวัฏานติอายุวันุสุขังพลาลัง ในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีใครถามที่นี่ก็จะให้ทางบ้านถาม เ, าเชิญถามได้เลยกรรมนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะออตะกี้ที่ท่านอาจารย์เทศบอกว่าใจเนี่ยเป็น เป็นอะไรที่ไม่เกิดไม่ตายแต่ในส่วนของจิตเนี่ยเหมือนกับว่ามีการเกิดดับอยากให้ถ้าอาจารย์ช่วยอธิบายจุดนี้ค่ะเคสิสิ่งที่มีอยู่ในใจนี่เราเรียกว่าธรรมอารมณ์มีการเกิดการดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราถ้าใจเราเปรียบเหมือนท้องฟ้าพวกเมฆบกต่างๆนี่ก็เป็นเหมือนอารมณ์ ท้องฟ้าบางวันก็แจ่มใสปราสจากเมฆบอกบางวันก็มืดครึ้มเมฆบอกปกคลุมอยู่แต่ท้องฟ้าก็ยังเป็นท้องฟ้าอยู่เดิมท้องฟ้าไม่ได้เปลี่ยนไปกับเมฆบอกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจคือผู้รู้ผู้รู้นี้ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนม า, าแต่ว่ารู้อยู่ตลอดเวลาแต่อารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมาในใจ หรือนามขันที่เป็นอาการของใจนี้มีการเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสังขารมีการคิดคิดแล้วก็หยุดคิดสัญญาก็มีการจำได้หมายรู้แล้วก็หยุดจำวิญญาณก็รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาแล้วก็หายไปแล้วก็รับรู้ใหม่เวทนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีไม่สุขมีไม่ทุกข์บ้าง อหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นอาการต่างๆที่มีอยู่ในใจสิ่งเหล่านี้มันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนอย่างที่เปรียบเทียบไว้ท้องฟ้าท้องฟ้านี่ถ้าไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีพายุไม่มีอะไรมันก็ว่างไห้สะอาดเหมือนน้าที่สะอาดใจเวลาที่สงบอยู่ในอัปปนาสมาธิก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่สักแต่ว่ารู้เลืออยู่อย่างเดียวแต่พอออกจากอัปปนาสมาธิมาเริ่มมีสังยาสังขารวิญญาณทางานก็ปรากฏมีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็เกิดมาแล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อย ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็จะมีธรรมที่สามารถที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆไม่มีการเกิดการดับของอารมณ์ต่างๆภายในใจนี่คือเรื่องของใจถ้าเราได้รับการปฏิบัติปฏิบัติธรรมแล้วธรรมก็คือสติสมาธิปัญญานี้ จะมาเป็นผู้ที่กรองกำจัดสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาให้มันหายไปหมดไปจากใจต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณวสุวัตรครั้งหนึ่งในการภาวนาถอยออกจากสมาธิเริ่มรู้สึกนึกคิด ยกกายขึ้นมาพิจารณาตากฏเป็นรูปท่อนแขนต่อมารูปก็แสดงอาการไหมไฟจนเกรียมโยมก็รู้สึกปวดร่างกายตัวเองมากเหมือนตัวเองกำลังถูกไฟไหม้เสียเองขอพระอาจารย์แนะนำในการภาวนาต่อไปด้วยครับก็ควรให้มันไหม้ไปทั้งร่างกายเลยเหมือนเวลาที่เขาจับเข้าไปใส่ในรงศพแล้วก็ก็เอาเข้าเตาเผาไป เผาให้มันจนทั้งแล้วเหลือแต่ขี้เถ้ากับเศษกระดูกพิจารณามันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ําอีกเอาตั้งแต่ร่างกายที่ยังไม่ถูกเผาร่างกายที่ยังไม่ตายแล้วก็ให้มันตายไปหมดลมหายใจให้เข้ามาลดน้ําศพเราเสร็จแล้วก็ให้เขาจับเข้าลงอแล้วก็เอาเข้าเตาเผาออกจากเตาเผาก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปนี่คือ ทางไปของร่างกายของเราที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกทุกคนถ้าเราพิจารณาอยู่ได้เรื่อยๆเราจะได้ไม่หวาดกลัวไม่ตกใจเพราะเราเป็นผู้พิจารณาเราไม่ได้เป็นร่างกายเราจะแยกผู้พิจารณาออกจากร่างกายได้เราจะรู้ว่าเราเป็นเพียงแต่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ชั่วคราวแล้วถึงวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องมีอันเป็นไป ร่างกายเขาอายุสั้นกว่าเราเราอายุยืนกว่าเขามากเขาตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับเขาถ้าเราเบื่อกับการที่จะต้องมาเผาร่างกายเราอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ยุติการไปมีร่างกายใหม่ถ้าเรายังไม่เบื่อเราก็ไปมีใหม่ไปมีใหม่เราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือการพิจารณาร่างกายพิจารณาให้มันเห็น การที่จำของร่างกายเกิดแก่เจ็บตายให้มันเห็นว่าเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราไม่มีส่วนไหนในร่างกายนี้ที่เป็นเราเลยเราไปยึดมันเองเหมือนกับเราได้อะไรมาเราก็ไปยึดมันาเป็นของเราขึ้นมาทันทีเอได้ลูกมาก็ยึดว่าเป็นลูกของเราได้สามีก็ยึดว่าเป็นสามีของเราเอ แล้วเป็นยังไงพอถึงเวลาเขาก็จากเราไปพอเขาจากเราไปเราก็ร้องหม่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจถ้าเรารู้ว่าต่อไปเขาต้องจากเราไปเราก็ไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเขาจะไปก็เรื่องของเขาเขาจะอยู่ก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาร่างกายของเราต่อไปจะต้องตายไปเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์กับเขา ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเห็นภาพของของอนาคตของร่างกายว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องถูกเขาเอาจับเข้าไปเผาในเตาไฟรักกันขนาดไหนเขารบกันขนาดไหนก็ไม่มีใครอยากจะเก็บร่างกายนี้ไว้พอถึงเวลาตายไปแล้วก็ต้องจัดการกับมันไปให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป ถ้าพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปใจก็จะเคยชินกับความตายของร่างกายใจก็จะไม่หวาดกลัวไม่วิตกไม่กังวลคำถามต่อไปจากคุณนัฐวัตผมเข้าใจถูกต้องไหมครับว่าการทำสมถาภาวนาเราสามารถทำด้วยการเดินจงกรมหรือการนั่งสมาธิเท่านั้น ด้วยการบริกรรมหรือดูลมหายใจเพื่อทำใจให้สงบส่วนการทำวิปัสนาภาวนานั้นเราสามารถทำได้ในทุกอิยาบทเพื่อพิจารณาโกตราลักษณ์คือการทำใจให้สงบนี้ท่านั่งนี้จะเป็นท่าที่เหมาะที่สุดเพราะว่าเป็นท่าที่ใจไม่ต้องทำอะไรกับร่างกาย ถ้าร่างกายยังเดินอยู่ใจยังต้องทำงานคอยควบคุมร่างกายอยู่เพราะร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้ารถยนต์ขับเคลื่อนนี่คนขับก็ต้องคอยคอยเฝ้าดูการขับเคลื่อนของรถยนต์ถ้านอนหลับมันก็เดี๋ยวก็ไปชนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่ถ้าจอดรถดับเครื่องแล้วทีนี้จะนอนหลับหรือจะทำอะไรก็ไม่เป็นปัญหาไม่ต้องทางานเกี่ยวกับร่างกายได้ การนั่งภาวนาทำใจให้สงบเป็นสมาธินี้เพื่อให้ใจได้หยุดได้พักผ่อนใจจะหยุดพักผ่อนได้ต้องปล่อยร่างกายก่อนคือต้องไม่มาคอยควบคุมร่างกายถ้ายัางเดินอยู่นี่ต้องคอยควบคุมถ้าไม่ควบคุมเดี๋ยวมันล้มหรือเดี๋ยวมันเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้การที่จะทำใจให้สงบในท่าเดินท่ายืนมันจึงยากกว่าการที่จะให้มันสงบในท่านั่งจึงมี มีธรรมเนียมมีการปฏิบัตินั่งสมาธิการเป็นหลักถ้าต้องการทาใจให้สงบพระพุทธรูปกับทุกรูปที่เราเห็นนี้จะอยู่ในท่านั่งนั่นแ้ท่าของสมาธิถ้าเดินท่ายืนนี้จะไม่สงบหรือถ้าจะสงบก็ต้องมีเหตุบังคับให้มันสงบอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลวงปู่ชอบที่ท่านชอบเดินทุ่ดงตอนกลางคืน อากาศมันเย็นสบายไม่ร้อนท่านจะเดินทุลงตอนกลางคืนแล้วฉันใช้โคมไฟที่จุดด้วยเทียนเดินไปในป่าแล้วก็ภาวนาไปจเจริญพุโทโธพุโทโธไปจเจริญสติไปในหทางเล่าทางเดินแล้ววันหนึ่งท่านก็เดินไปเจ้าเอกับเสือคร้องตัวหนึ่งพ อ, อตาเห็นเสือคลองจิตรู้ว่าเป็นเสือคลองปั๊บ จิตมันก็วุบเข้าไปในสมาธิเะไรมันรวมรวมเข้าไปเลยเพราะตอนนั้นมีสติคอยควบคุมถ้าไม่มีสติมันก็จะตื่นเต้นตกใจวิ่งวิ่งหนีกันโกลาหลแต่เพราะว่ามีสติคอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาใจมันไม่มีที่ไปมันก็เลยต้องเข้าไปในที่ที่สมาธิที่อัปปนาท่านบอกว่าเวลาเข้าไปนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดจากใจเสือก็หายไปร่างกายของท่านก็หายไปเหลือแต่ใจสักแต่ว่ารู้อยู่ตามลาพังพอออกจากสมาธิมาเทียนที่จุดไว้ในโคมไฟนี้มันไม่มอดหายไปหมดแล้วไม่ทราบว่าท่านยืนอยู่ในท่านั้นได้อยู่นานทเท่าไหร่เสือก็หายไปไม่มีอะไรนี่คือการรวมเข้าสู่สมาธิของของจิตในท่าเดิน มันต้องมีอะไรที่ม า, บ, าบังคับมันถึงจะลงได้อย่างเต็มที่แต่การเดินจงกรมแล้วทาใจให้สงบได้ก็มีเหมือนกันคือจิตก็รวมแต่ไม่รวมเต็มที่คือจิตสงบนิ่งเป็ น, เ ป, นเป็นอุเบกขาสักแว่ารู้แต่ยังรับรู้ร่างกายรับรูเ้เวทนาที่เกิดจากการเดินอยู่แต่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนตอนที่จิตไม่ได้รวมจิตรวมแล้วรู้สึกว่าเดินสบาย ไม่เหมือนเดินบนบนบนนุ่นอะไรอย่างนี้เดินแล้วมันนิ่มมันสบายไม่เหมือนตอนที่มันไม่สงบนิ่มเดินบนพื้นแข็งแข็งมันเจ็บมันเมื่ยครับอันนี้ก็เป็นได้ถ้ามีสติต่อเนื่องจดจอ่อไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆมันก็รวมได้แต่จะไม่รวมเต็มที่เหมือนกับเวลาที่นั่งสมาธินั่งสมาธิก็รวมเต็มที่ก็มีไม่เต็มที่ก็มีเหมือนกัน ดังนั้นความจริงจะว่าถ้าถ้าเป็นตัวถ้าถ้าของร่างกายนี้เป็นตัวกำหนดหรือไม่ก็ไม่ใช่ตัวที่จะกำหนดจริงๆก็คือตัวสติถ้ามีสติแล้วมันก็สามารถรวมได้ในทุกท่าแต่มันจะง่ายหรือยากกว่ากันเท่านั้นเองท่านั่งนี้จะง่ายกว่าท่าท่าเดินเพราะว่าใจไม่ต้องมาควบคุมร่างกายนั่งแล้วก็ปล่อยร่างกายได้ ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของร่างกายว่าจะไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเดินนี่มันยังต้องคอยดูดูทางเดินไปสุดทางก็ต้องเลี้ยวกลับมันก็เป็นการทำงานของใจไปด้วยมันก็เลยจะทำให้รวมยากถ้เท่าถึงนิยมถ้าต้องการนั่งให้จิตรวมนี้มักจะนั่งในท่านั่งนั่งกันมากกว่าคาถามต่อไปจากคุณลิซ่า ลูกทําการงานด้านจัดเลี้ยงโรงแรมซึ่งเลี้ยงไม่ได้ที่ต้องขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะลูกค้าต้องการให้จัดให้มีในงานตรงนี้รู้สึกผิดในใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการลดทอนปัญญาผู้อื่นเราควรวางใจเช่นไรคะถ้าเราไม่ทําแล้วคนเขาจะเลิกดื่มหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเราเลิกทาแล้วเขาเลิกดื่มแล้วก็ควรจะเลิกแต่ถ้าเขา เราเลิกทำเขาก็ยังดื่มเ้าก็ยังหาคนอื่นมาทำแทนแล้วก็ทำของเราไปปัญหาอยู่ที่ว่าเราอย่าไปดื่มเองก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณป้าแมรี่อาทิสมานกายนี่คืออะไรคะก็ต้องไปถาม <laughs> <laughs> <laughs> ไปถามหมอกูเกิดูเราก็ไม่รู้เหมือนกันสับแสงพวกนี้เราก็ไม่เคยใช้มาก่อน คำถามต่อไปจากคุณกนิกาเวลาทำสมาธิจะทําอาณาปานาสติจับลมหายใจเข้าออกแต่จับลมหายใจแล้วเห็นท้องพองยุบด้วยหากภาวนาพร้อมกับจับอาการทั้งลมหายใจที่ปลายจมูกและท้องพองยุบไปด้วยจะได้หรือไม่คะไม่ควรควรจะเอาที่ใดที่หนึ่งเพราะต้องการให้จิตไม่ไม่แยก ถ้าเราดูที่ที่จมูกด้วยดูที่ท้องด้วยจิตมันก็ต้องเคลื่อนไปเคลื่อนมาขยับไปขยับมามันก็จะไม่นิ่งต้องให้มันอยู่ที่เดียวจุดใดจุดหนึ่งให้เลือกเอาจะอยู่ที่ปลายจมูกก็ได้ตรงที่ลมเข้าออกหรือจะอยู่ที่ท้องก็ได้เวลามันยุบเข้าพองออกให้อยู่ในที่เดียวหรือถ้าจะใช้พุโทโธก็ไม่ต้องใช้ลมบริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียว ไม่ต้องดูลมมันจะได้ออยู่กับเรื่องเดียวแล้วมันก็จะรวมได้ง่ายกว่าอยู่สองเรื่องบางคนชอบพูดเข้าโทออกนี่มันก็เป็นสองไปละพุทธกับโทรแต่ที่ต้องทําอย่างนี้เพราะในเบื้องต้นจิตมันฟุ้งมันมีกําลังต่อสร้านมากมันไม่ยอมอยู่กับเรื่องเดียวมันอยู่อยากจะอยู่กับหลายเรื่องก็เลยหาเรื่องให้มันอยู่หาพูดโทให้มันอยู่กับใจ แต่ถ้าภาวนาไปแล้วพอมันไม่ไม่ไม่พุ่งแล้วก็ควรจะหยุดเอามันอย่างใดอย่างหนึ่งไปเอาพุทธโธก็พุทธโธไปเอารมก็เอารมไปเลยจะดีกว่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่รวมเพราะมันยังเป็นสองอยู่ยังเป็นพุทเข้าโทออกอยู่เอามันอย่างเดียวเอถ้าเอารมก็ดูลมไปเฉยๆไม่ต้องพุทธโธแต่ถ้ามันยังกิ่งไปกิ่งมายังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องใช้พุทธโธช่วยะ ก็ท่านใช้พุโทโธบางทีก็ไม่ต้องใช้ลมเอาอยู่กับพุโทโธไปเลยหรือจะใช้สวดนมนต์ไปก็ได้ท่องคาถาอาคมอะไรต่างๆที่เรานึกได้ก็ท่องไปก็ได้ขอให้มันอยู่อย่าให้มันไปคิดถึงลูกคิดถึงสามีภรรยาคิดถึงเรื่องงานเรื่องการร้อยแปดให้อยู่กับปัจจุบันอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ แล้วเวลานอนสิตก็ทำสมาธิก่อนจะหลับด้วยค่ะแต่ตอนกำหนดลมหายใจทำสมาธิจะรู้สึกตื่นอยู่ตลอดเวลาตาหลับแต่จิตไม่หลับและรู้สึกเหนื่อยอาการแบบนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะก็อย่าภาวนาเพราะบางทีภาวนานแล้วสติมันมีกำลังมากมันก็จะมันก็จะตื่นตัวสตินี่ก็เป็นตัวที่ทำให้จิตตืน่น ก็อย่าไปอย่าไปภาวนาก็นอนแบบปกติไปเคยนอนหลับยังไงก็นอนแบบนั้นไปคคำถามต่อไปจากคุณตวงพรมีคุณน้าที่รู้จักอยากจะทราบว่าถ้าการยอมตายได้ครั้งหนึ่งในนิมิตเป็นโสดาปฏิผลหรือไม่เจ้าคะมันก็ขึ้นอยู่ว่ายอมตายด้วยสาเหตุใด ถ้ายอมตายเพราะเห็นว่าการไม่อยอมตายนี้เป็นความทุกข์เพราะเกิดจากความอยากอันนี้ก็จะเป็นโสโดาได้ต้องเห็นอริยสัจเห็นว่าใจเราทุกข์เพราะความอยากไม่ตายแต่ถ้าเราอยอมตายเพราะเรารู้ว่ามัานยังไงก็ต้องตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่ฝืนความจริงไม่ไปอยากตายไม่อยากไม่ตายพอเราละความไม่อยากไม่ตายได้ เราก็จะไม่ทุกกับความตายแต่ถ้าเรายอมตายเพราะว่าเราจนตรอกไม่มีทางหนีอันนี้ขาวหน้าถ้ามันมีช่องหนีมันก็อาจจะหนีต่อมันจะไม่ยอมตายอยู่ดีงั้นต้องยอมตายเพราะเห็นว่าการไม่ยอมตายนี่เป็นความทุกข์เกิดจากความอยากอยู่อ้ารอย่างนี้ก็ถึงจะเรียกว่าเห็นบรรลุธรรมเห็นอ น, นิจจังเห็นว่าร่างกายนี่จะอยาก อยากไม่อยากอย่างไรมันก็ต้องตายถ้าอยากไม่ตายมันก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้ายอมตายเพราะว่ามันต้องตายก็จะไม่ทุกข์ก็จะบรรลุได้ต้องเห็นอริยสัจสี่คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามเมื่อเก้าปีที่แล้วนั่งอยู่ในศาลาทําสมาธิด้วยปรากฏว่าเห็นจังหวะที่จิตแยบออกมาเร็วมากค่ะ ทุกขณะที่จิตเคลื่อนเห็นตลอดเป็นอยู่ประมาณสิบนาทีแล้วก็หายไปแล้วไม่ปรากฏมาอีกจนปัจจุบันขอเมตตากราบเรียนว่าสามารถเห็นความเคลื่อนของจิตเพราะเหตุใดและจะทำอย่างไรที่จะให้เห็นจิตแยบออกมาเช่นนั้นอีกคะและจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติธรรมหรือไม่คะก็ที่เห็นก็เห็นด้วยสตินี่ ถ้าเราเจริญสติต่อไปเราก็จะเห็นเหมือนที่เราเคยเห็นถ้าเราหยุดเจริญสติเมื่อไหร่มันก็จะไม่เห็นดังนั้นถ้าเราอยากจะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตในทุกรูปแบบนี้เราก็ต้องเจริญสติพอเราเจริญสติแล้วจิตก็จะเห็นตัวจิตเองถ้าเราไม่เจริญสติจิตมันก็จะไปอยู่กับเรื่องที่มันคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้มันก็จะไม่เห็นจิตไม่เห็นการเคลื่อนไหวของจิต เห็นการเคลื่อนไหวของบุคคลต่ตางๆเวลาเรามองออกไปข้างนอกนี่เราจะเห็นเขาเคลื่อนไหวทํานู่นทํานี่แต่เราจะไม่เห็นจิตของเราที่มีปฏิกิริยาต่อการเคลื่อนไหวของเขาแต่ถ้าเราฝึกเจริญสตินี่สติมันจะดึงใจให้กลับเข้ามาดูจิตมากกว่าไปดูข้างนอกข้างนอกก็ดูแต่จะดูข้างในด้วยหลัสติถ้าไม่มีสตินี่มันจะไม่มันไม่ดูข้างในเลยมันจะดู ider. แต่ข้างนอก พอข้างนอกทําอะไรไม่ถูกใจก็ไปว่าเขาแทนที่จะมาปรับใจตัวเองว่าไปไปยุ่งเขาทําไมไปไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมมันก็ไปแก้ผิดจุดแทนที่จะไปแก้ที่ใจที่ไม่ยอมที่อยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ก็ไปแก้ที่เขาไปบอกให้เขาทําอย่างนั้นแทนอย่างนี้พอเขาไม่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ก็เลยยิ่งโกรธขึ้นมาใหญ่ปัญหาก็แก้จะไม่มีวันจบ แต่ถ้าแก้ที่ใจได้ว่าที่เราวุ่นวายใจกขาเพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็หยุดความอยากเสียก็หมดเรื่องเพราะเราก็สั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วเอเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทำไปมองให้เขาเห็นว่าเป็นเหมือนลมที่พัดอยู่อย่างนี้ยลมมันอยากจะพัดมันก็พัดมันอยากจะหยุดก็หยุดเราเคยไปสั่งหมือนไหมเคยไปอยากให้มันพัดหรือไม่พัดไหมทันได้เราก็ต้องมองคนเรื่องสิ่งต่างๆเหมือนกับลมพัด ถ้าเราเห็นเ้าเป็นเหมือนลมพัดก็แสดงว่าเราเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเขาไม่อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมบังคับสั่งการของเราเอพอเราไม่ไปควบคุมบังคับเราก็สบายเราก็ไม่ทุกข์เนี่ยการที่จะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตได้ก็ต้องเจริญสติการเจริญสติก็เพื่อจุดหมายอันนี้เองเพื่อที่เราจะได้มาดูการเคลื่อนไหวของใจของจิตที่เคลื่อนไปในทางที่ทําให้เราวุ่นวายะ พอเรารู้ว่าเราวุ่นวายเพราะการเคลื่อนไหวของเราเราก็หยุดมันเสียพอเราหยุดการเคลื่อนไหวของเราปาั๊บความวุ่นวายมันก็หายไปไม่ต้องไปแก้คนนู้นคนนี้ไม่ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญให้มันเหนื่อย <c oughs> <c oughs> แก้มันกี่รอบมันก็ฉีดทิ้งทุกแล้วก็มาแก้กันใหม่ก็แล้นะฮะถ้า <c oughs> แก้ที่ใจตัวเองแล้วจบหมดําถามจากทางบ้านค่ะทา <c oughs> งที่นี่มีใครอยากจะถามต่อไหม นี่จะครบสิบปีแล้วนเนี่ย <c oughs> เลยอีสองสองสองครั้งเดินเมษาก็เดินพฤษสภาเนี่ยมันถ้าปฏิบัติวควบกู้ไปกับการศึกษาป่านนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยเลยขอบเวลาที่พทธเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วอ้าเชิญ นารนามส ก, การพระอาจารย์ครับก็คืออยู่ที่โรงงานนะครับมีเพื่อนๆที่หลายคนที่ยังไม่รู้จักสินห้าก็มีนะครับก็คือผมก็แนะนําไปในเบื้องต้นว่าสินห้ามีอะไรบ้างแล้วก็การที่มีสินห้าเป็นปกติเราจะอยู่เป็นมนุษย์ไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นผมยกตัว อ, อย่างให้ดูว่าเอออย่างเช่นเห็นสุนัขเห็นแมวอยู่ในโรงงานอย่างเงี้ย เขาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติทำไม่ได้นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อย่างเงี้ยเราจะไม่เสียดายชาติเกิดหรอที่เราไม่ปฏิบัติทำไม่รักษาศีลอย่างเงี้ยแต่พอผมพูดอย่างเงี้ยก็มีหลายคนที่เริ่มกลัวแล้วจะรู้จักปฏิบัติรักษาศีลห้าแล้วก็มีหลายคนที่อยากมาฟังทำมเทศนาจากพระอาจารย์ด้วยแต่เพียงแต่วันนี้เขาติดธุระเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมาอย่างเงี้ย ไม่ทราบว่าเวลาที่เขาถามว่าผมปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วเขาถามว่าเห็นอะไรยังไงผมก็บอกว่ามันเป็นปัจจตังมันจะเห็นได้เฉพาะตนเองแต่ขั้นต้นมันก็ทําให้จิตใจเราสงบลดความโลภความโกรธความหลงลงได้เยอะแล้วก็จะรู้ได้เฉพาะเราเองแล้วเขาก็พยายามซักไซตต่อว่าเราเห็นนิมิตอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาบอกว่า น่าจะเห็นเทวดานางฟ้าอะไรหรือเปล่าประมาณนี้แต่ผมก็เลยบอกว่ามันก็เป็นเฉพาะนิมิตแต่มันก็เป็นเฉพาะของผมเองแต่ก็อาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปหลงอย่าไปติดแต่อย่างอื่นถ้าว่าอยากภาวนาอยากปฏิบัติทำจริงๆก็ขอให้รักษาศีลหน้าให้ได้ก่อนแล้วเขาถามผมว่าเวลาวันพระผมรักษาศีลอะไรบ้างผมก็บอกว่าผมก็รักษาศีลอุโบสถศีลแปดเขาถามว่าทาไมต้อง สินห้าแล้วก็สินแปดผมก็เลยไม่รู้จะยกตัวอย่างย่งไรผมก็เลยบอกว่าอย่างเช่นเราทํางานได้รับเงินเดือนอย่างเงี้ยสมมติเดือนละหนึ่งหมื่นสองมืนแต่ชิ้นปีเราได้รับโบนัสอย่างเงี้ยเป็นแสนหรือว่าสองแสน 2, อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเออถ้าเหตุเราธรรมดาอย่างเงี้ยเหมืนสินห้าให้เป็นคนปกติแล้วถ้าเรารักษาสินที่พิเศษขึ้นมาอีกเราก็น่าจะได้ผลที่พิเศษขึ้นมาอีกไม่ทราบว่าที่กับผมบอกเขาไป จะเป็นการอุตริโ oh, ออวดหรือเปล่าครับไม่หรอกก็เราพูดไปตามความจริงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าเรายังอาจจะไม่ได้อธิบายให้เขาได้เห็นอย่างละเอียดชัดเจน mm. เราก็พูดไปตามเท่าที่เรารู้อ mm. สิ่งไหนที่เราไม่รู้เราอย่าไปพูดจะดีกว่า mm. ถ้าเราไปพูดในสิ่งที่เราไม่รู้นั้นถึงจะเรียกว่าเป็นการอุตริน เราพูดในสิ่งที่เรารู้นี่ไม่ถือว่าเป็นการอุตริครัผมมีทางนี้ใช่ไหมสารทางนี้นค่ะคือปกติหนูก็จะบริการเป็นลักษณะาาพุทโธอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้มันจะมีบางช่วงที่สิตมันจะ มันจะขุ่นขึ้มานิดนึงมันจะฟูงมากกว่าปกติแล้วก็อาจจะเปลี่ยนคําบริกรรมบ้างอาจจะเป็นลักษณะสวดมนต์บ้างเงี้ยค่ะแตอถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นอาจจะเริ่มมีตัวความถูกเข้ามาที่คําบริกรรมพุโทโธหรือการสวดมนต์มันเอาไม่อยู่หรือก็จะต้องใช้การพิดารณาไปบ้างอะค่ะส่วนมากเอ ม, มันก็จะทําให้หนูน้ำท้อจะสงบอตัวโฟมซาตัวแรงๆตัวนี้ได้เป็นชั่วคราวอะค่ะ ทีนี้ อ, อการที่หนูมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลักษณะ น, นี้ค่อนข้าง อ, อค่อนข้างถี่อ่ะค่ะตรงนี้นี่มันจะมีผลทําให้หนูไม่สงบด้วยหรือเปล่าคะด้วยการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ดูผลว่ามันสงบหรือไม่สงบถ้ามันสงบก็ใช้ได้ถ้ามันไม่สงบ ก, ก็ต้องพยายามใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเหมือนกับการกินยาเนี่ย ก็ต้องหายาที่มันถูกกับโรคถ้ายาถูกกับโรคโรคก็หายถ้ายาไม่ถูกก็ต้องหายาไปเรื่อยๆคือส่วนมากเวลาที่ไปได้ผลที่สุดอะคะ่ะก็จะเป็นลักษณะที่มีตัวถูกเข้ามาแล้วหนูก็พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆเลยเรื่อย ๆ, ๆนะคะ่ะแล้วมันที่ได้ผลที่สุดเป็นลนนักษณะนี้แต่ว่า ก็ได้ผลก็ดีก็ใช้มันไปก็ใช้อย่างนี้ไปใช้ปัญญาเดินไปเขาเรียกปัญญาอุรมสมาธิพอไม่มีความทุกข์เราก็พิจารณาร่างกายไปดูพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณ า, าการสามสิบสองดูอาการต่างๆดูแต่ละอาการก็ได้ดูผมขนและฝันหนังเนื้อเอนกระดกแล้วก็วิเคราะห์ถามตัวเองว่าส่วนไหนบ้างที่เป็นตัวเรา ผมนี่เป็นเราหรือเปล่าคนนี้เป็นเราหรือเปล่าเล็บนี้เป็นเราหรือเปล่าฟันหนังเมือเอ็นกระดูกเป็นเราหรือเปล่าไล่มันไปสามสิบสองอาการเลยไล่กลับไปกลับมาวิเคราะห์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นชัดเจนว่าไม่มีอะไรในในนี้ที่เป็นตัวเราเหมือนกับเราคิดว่าเราทิ้งกุญแจไว้ในกระเป๋าเราก็เปิดกระเป๋านี่ออกมาดูเอาสิ่งต่างๆเทกระเป๋าออกมาเลย หาดูว่ามีกุญแจที่เราคิดว่ามันอยู่ในกระเป๋านี้หรือเปล่าถ้าเทออกมามีแต่กระดาษที่ชู้มีแต่ขยะ <c oughs> ก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่มีเราไปคิดมันเองเราไปว่ามันเองว่ากุญแจเราเก็บไว้ในกระเป๋าใบนี้แต่ในเราก็ไปคิดว่าละเราเก็บตัวเราไว้ที่ร่างกายอันนี้เราคิดว่าร่างกายเรานี้อยู่ในคือตัวเราเราอยู่ในร่างกายอันนี้ เราก็ต้องเทร่างกายนี้ออกมาเลยแยกออกมาให้ทุกทุกส่วนของมันเลยมีอะไรแยกมันออกมาผมก็แยกมันออกมาหนังก็แยกมันออกมาเนื้อเอ็นกระดูกก็แยกมันออกมาพิจารณาไปอย่างนี้จนกระทั่ ง, กงเกิดปัญญาขึ้นมาว่าอ๋อมันไม่มีอะไรในตัวเราอันนี้ก็ได้ใช้อย่างนี้เป็นการอบรมจิตใจไปเรื่อยๆพอพิจารณามันเหนื่อยแล้วก็ลองหยุดดูลมเฉยๆก็ได้ อพอดูลมเฉยๆมันดูได้เดี๋ยวมันก็รวมเข้าสู่ความสงบได้จะมีปัญหาในลักษณะนี้ครั้งหนึ่งอะคะ่ะช่วงที่พิจารณาไปแล้วเ อ, อมันก็สงบไปแล้วพอช่วงหนึ่งรู้สึกว่าจิตมันเหนื่อยก็เลยลอง เ, ออเป็นพุทโธหรือว่าดูลมหายใจอ่ะคะ่ะทีนี้มันกลายเป็นว่าพอเราจะดูลมเฉยๆเนี่ยมันกลายเป็นหนูรู้สึกแบบมันมีความคือเป็น ความคิดมันพุ่งเข้ามาหลาตัวมากพร้อมๆกันนะคะเหมือนแบบมันจะไม่ยอมให้เราอยู่เฉยๆมันจะให้เราสวดมนต์ไปก็ปสวดมนต์ไปพิจารณาต่อไปนะมันไม่ยอมอยู่เฉยๆก็พิจารณาทําต่อไปจนกว่ามันจะเหนื่อยมันจะหยุดนะครับน้ำมันกาวขอคุณค่ะถามแล้วนะคิดว่าพอสมควรแต่เวลา